ในสันเลขดสูตรอันนี้ก็เป็นพระพุทธพจน์ที่น่าสนใจมากทรงสอนให้เอาธรรมะเครื่องขาดกลาวประเภทต่างๆมาเป็นเครื่องฝึกตนเช่นว่าไม่มีอาพิชชาไม่มีพยาบาทเป็นต้นมาอบรมสั่งสอนแนะนำตนและตรัสถึงบุคคลที่มีตนยังเล่าร้อนอยู่ก็จะทำให้ผู้อื่นสงบเย็นไม่ได้ตรัสในตอนหนึ่งว่า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 มีโอกาสอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวซะบ้างเพื่อจะได้กายยวิเวกคือความสงัดทางกายจิตตวิเวกหมายถึงความสังัดทางจิตความหมายเต็มรูปท่านหมายถึงการได้ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่แปดอุปธิวิเวกหมายถึงความสงัดจากกิเลสความหมายเต็มรูปก็ได้แก่ความสังัดจากกิเลสคือความไม่มีกิเลสตัดกิเลสได้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 ผมขอพูดเรื่องพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความสังกัดซึ่งอยู่ในปันตันจะศยนาสนังที่นั่งที่นอนอันสังกัดไปอ่านบทความบทหนึ่งชื่อว่า The Power of Silence ของท่านหาริธาชาวทุรีในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Power of Silence พลังของความเงียบหรือกำลังแห่งความเงียบท่านเขียนไว้ดีมากบอกว่า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 ขอให้เขาอยู่ในความสงบแล้วเขาจะได้เห็นสิ่งที่เขาต้องการนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เช่นมหาตามะคารทีอันนี้ผมพูดเองนะครับไม่ใช่หริท่าชาวทุรีท่านเปาบุญจินเวลาท่านติดปัญหาใหญ่ๆท่านจะเข้าหาความเงียบท่านมหาตามะคารทีวันจันเป็นวันเงียบคือไม่พูดเลยถ้าถึงคราวจำเป็นจะต้องไปประชุมใหญ่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 ให้ประกอบให้มีความเพียรอย่างเอื้อเฟื้อโดยเอื้อเฟื้อในอาทิตจิตอาทิตจิตเตจะอายโยโคอายโยโคคือมีความเพียรอย่างเอื้อเฟื้อคําว่าเอตางบุตานศสาสนังเป็นคําที่ถูกแล้วแต่ว่ามีหลายท่านท้วงว่าต้องเป็นบุตานุสาสนังคือว่าเป็นอนุสารของพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นบุตธานุศาสนังอันนี้เป็นคำติดกันอันนี้ขอพูดในภาษาศาสตร์นิดหนึง่งคือแยกเป็นบุทธ h กับอนุศาสนังแต่ในตำรานั้นเป็นบุทธานุศาสนังแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ความเห็นผมว่าบุทธานุศาสนังนั้นถูกแล้วเพราะมีตัวอย่างเทียบหลายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย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 แต่ชั้นทะลักบังคับไม่โพจึงกลายเป็นเพียงอธิจิตประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะก็กล่าวถึงความเพียรสี่อย่างคือหนึ่งสังวราปาทานเพียรระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิด 2. ปหานาปาทานเพียรระวังบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาปาทาน เพียรให้บุญกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น 4. อนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ดำรงอยู่และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสีข้อนี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในมัคควิทังพ์พัสรุนี่เป็นคำอธิบายของพระพุทธเจ้าเต็มรูปในอริยมรรค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 ในอัธกถามหาสติปฐานสูตรเช่นยกตัวอย่างคาถาที่ว่ายางปัสสติหน้าตังดิษถังบุคคลย่อมเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นเขาไม่เห็นแล้วยา ง, างดิษถังตังหนปัตสติสิ่งใดที่เขาเห็นแล้วเขาย่อมไม่เห็นสิ่งนั้นอปัสสังบัชเ ต, เตมุลโหเมื่อไม่เห็นก็เป็นคนหลงและถูกผูกมัด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 พ อ, อนั่งเข้าสักพักเวทนาเกิดจิตก็ฟุ้งซ่านก็กําหนดเวทนาธรรมก็เกิดจิตเป็นอย่างไรในเวลานั้นจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะนี่ก็เป็นการพิจารณาจิตแล้วก็อะไรเกิดขึ้นนิวร์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนิวร์เกิดขึ้นด้วยเหตุใดนิวรจะดับไปเพราะเหตุใด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 พอมาถึงตติยชาญปีติก็ถูกพรากไปคือว่าละปีติไปได้เหลือแต่สุกับเอกคตาปีติยาจะวิราคาอุเปคโกพอมาถึงจตุธชาญก็ละสุขเสียได้เหลือแต่อุเบคขากับเอกัคตาสุขัสสะจะปะหาน า, นาดุขัสสะจะปะหาน า, นา เพราะละสุขละทุกข์เสดได้ปุเบวะโสมณัสสะโดมณัสสานังอัดถังขมาเพราะการดับไปของโสมณัตโทมณัตที่มีในการก่อนและก็เข้าสู่จตุทชาญซึ่งมีสติอันบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่อะดุขมสุ ข, ขังอุเบกขาสติปาริสุทธิ์ทิง จะตุดถังชานนงอุปสามปัชชวิหารติก็มีอุเบกขากับเอกขตาหลังจากจะตุดชานแล้วไปถึงปัญจมะชานชาญนที่ห้าชาญนที่หชาญนที่7ชาญนที่8ก็คงมีองค์สองคืออุเบกขากับเอกขตาไปตลอดเพียงแต่ว่าลึกลงไป แต่ในพระบาลีพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับสัมมาสมาธิในอริยมรรคนี้ก็กล่าวถึงแต่ฌานสี่เท่านั้นไม่ได้ไปถึงฌานที่8ดทำไมถึงไม่ได้กล่าวถึงฌานที่หถึง8อันนี้ไม่ทราบอาจจะมองเห็นว่าถ้าธรอมพินยาฌานที่สี่นี่ก็พอแล้วเพราะว่าถึงจะได้ฌาน8เวลาจะทรระพิน ญ, ญาก็ต้องกลับมาฌานที่สี่